2.35 จิตผู้รู้วงเล็บเปิด1กุมภาพัน 2,551 ในวงเล็บ2วงเล็บปิดหลวงพ่อภาวนาโดยทำสมาธิมาตั้งแต่เด็กฉะนั้นเวลาหลวงพ่อภาวนาจะมีตัวจิตผู้รู้ขึ้นมาตัวจิตผู้รู้นี้เกิดจากการที่เราทำสมาธิอย่างเราหายใจออกหายใจเข้าไปเราเห็นเลยร่างกายที่หายใจเป็นของที่ถูกรู้ถูกดูจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ตั้งหา